ก็โอกาสพระจรรยุกิเป็นประธานอให้ความเคารพไม่ยังเพื่อนชาการมิกที่เคารพทุกๆรูปเจริญพรม่ยังคุณแม่เจียวเอาไปดัดทำทุกท่านเราก็นั่งเรามารวมตัวกันเพื่อศึกษาปฏิบัติชีวิตของเรามันมีกายมีใจ มีภัยมากมายมรณะภัยที่สำคัญหรือ ว, ว่าภัยวตาสงสารอันนี้ก็สำคัญภัยที่เกิดจากความคิดของเราเองทำให้เราสุขทำให้เราทุกข์นอกนั้นังเป็นภัยเนังจากโลคาภัยโรคาพยาธิพยาธิ ตัวเล็กๆมากมายเชื้อโรคต่างๆแบคบทีเรียวไวรัสมากมายอาศัยอยู่ในร่างกายของเรามันจะเป็นการเจ็บป่วยอวบติภัยวินาศภัยธรณีพิบัติภัยต่างๆจดละภัยแต่ก็เชื่อได้ว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมสัพสัตสว์สิ่ง วัตุนึ่งสองบุคคลหนึ่งสองจะไม่มีภัยเพราะว่าเราเป็นผู้กระทำทางกายวาจาใจเราจะไม่ได้เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดเวรเกิดกรรมเกิดบาปเกิดอาุุลจนท้ายสุดก็คือเราวิบากรับเวรรับกรรมต่อไปไม่จะจบจัดสิ้น เ บ, บ, บ, บียนบนบนเบียนเป็นวัตตะสงสารปัดกันลุกปัดกันลับปัดกันแพ้ปัดกันชนะมันมีอยู่เราก็จึงั้นแหละกลับมาดูตัวเองดูแลตัวเองโดยใช้วิชากรรมฐานื่อเกิดปัญญาเห็นแจ้งในทุกริยสัตว์สี่เห็นทุกอันประเสริฐกายของเราคือก้อนทุก ทุกขังเป็นคูกขังเราทุกตลอดต้องหายใจต้องกระพริบตาต้องกินต้องขับถ่ายมันแสดงสภาวะอาการที่เป็นทุกข์ให้เราดูอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่เคยสังเกตพอเรากลับมาดูเราก็เห็นนะเห็นกายตามความเป็นจริงแล้วเราสามารถเกี่ยวข้องถูกต้องแนวอาภาภาหม่ม เมื่อใช้มาทั้งวันเดี๋ยวเราก็จะพากะพักนอนหลับซะเราก็รับทานอาหารมาตั้ทแต่เช้ามื้อเพลนเมื่อเย็นก็มีน้ำาปานะก็พอเพียงเมื่อไม่ได้ใช้พลังเราก็ไม่ต้องให้อาหารมื้อหนักแล้วเราก็นอนหลับซะเป็นการเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องไม่ได้หาความสะวกการกินไม่ได้หาความสะวกการนอน แต่ว่าเราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องกลางคืนนอนเราไม่ได้หาเรื่องมาคิดบางทีถ้าเราไม่รู้จักวิชากรรมฐานมันจะหาเรื่องมาคิดจนนอนไม่หลับแปลกที่แปลกทางบางทีก็ปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกมันก็ตามมาพยายามรู้สึกตัวอยู่จะนอนให้หลับมันก็ไหลไปตามความคิด หรือเวลากลางวันก็เหมือนกันที่เราตั้งใจปฏิบัติเรายามที่จะรู้สึกตัวกับการเคลื่อนการไหวในเอียบดเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะมันก็นไหลไปสู่ความคิดความคิดก็เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจวิธีปฏิบัติเราไม่ห้ามความคิดแต่เวลามันเกิดความคิดขึ้นมาให้กลับมารู้สึกตัวทิฐิฐานกายจนเราจะเห็นว่าจิตมันก็มีที่พักที่อยู่ชัดเจน บานของจิตก็คือปกติความเป็นปกติมันจะเกิดขึ้นวับวแวมๆวมสำหรับผู้ที่เริ่มสัมผัสสภาวะของการวางกายวางใจเป็นไปเห็นจิตมันสบายมันผ่อนคลายมันวางมันว่างมันมีการปลดปล่อยการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะมันไม่เข้าไปในการเคลื่อนการไหวของกาย จิตที่เคลื่อนไหวไปคิดกนะ็ไปในรมต่างๆมันก็ไม่เข้าไปในการเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวตาดูก็เหมือนกันมันเคยดูแล้วก็ลืมตัวบัดนี้มันดูแล้วก็รู้ตัวอยู่ดูภายนอกแต่ว่ามันเห็นภายในได้ยินเสียงภายนอกมันก็กลับมาดูภายในยกตัวอย่างมีเสียงตุ๊กแกบางคนก็อาจจะ ก, กลัวตุ๊กแกหลังจากได้ยินเสียงก็ปรุงปรุงแต่งๆไป เคยมีพยาบาลก็มีประสบการณ์นะก็คือตุกแกน่ะมันกัดคนไข้มันกัดนิ้วน่ะนะแล้วก็มันไม่ปล่อยเสร็จแล้วก็ต้องไปตัดตุกแกตัดคอมันให้มันตายแล้วถึงเอาออกได้แล้วก็ทําได้เมืองตัวเองมันติดหูติดตาพอมาไปทําที่นี่พอไปเจอตุกแกเท่านั้นแหละนะกลัวลองรอยเกา่าๆกมันติดอยู่ เสรแล้วก็ต้องย้ายที่อยู่เลยโดยไม่ต้องบอกใครสักคนเดียวแหละย้ายเองเลยเงี้ยก็คือความกลัวนั่นแหละมันพาให้ย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งมันสั่งถ้าเราปฏิบัติธรมเราก็จะเห็นวนะ่าเออความกลัวนะ่ะเกิดมาจากการคิดคิดเกิดจากนะธรรมชาติของจิตที่มันมีนิสัยมีอุปนิสัยอย่างเงี้ยคราวนี้เรามาสร้างนิสัยใหม่ก็คือนิสัยที่จะให้จิตมันมีสติมารู้สึกตัวอธิฐานกา ย, ยามันก็ตรงกันข้าม พอมาหลาไปหาความคิดปั๊บมันรู้สึกได้ตามกําลังของสติที่มันมีอยู่เสจแลมันก็โต้อตอบทักท้วงเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดเงี้ยมันก็กลับมาที่ความรู้สึกที่ฐานกายกรรมาฐานก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนักบวรทำก็จะมีประสบการณ์หนึ่วัน2วันสาวัน4ี่วัน5วันเงี้ยมันก็จะจานานรู้ทันความคิดเร็วขึ้นคิดร้อยเรื่องรู้ห้าเรื่องคิดร้อยเรื่องรู้สิบเรื่อง คิดร้อยเรื่องรู้ยี่สิบเรื่องสามสิบเรื่องรู้เร็วขึ้นไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเมื่อเกิดความจานานขึ้นมาผ่านอารมณ์ได้ไว่เ้เรายนันอจิตมันก็เป็นปกติได้นะเมื่อเราฝึกเปรียบเทียบอย่างนี้มีนิทานของเซนก็เปรียบเทียบว่าการที่เราฝึกจิตเนี่ยนะใหม่ๆนะก็เหมือนกับว่า คนเลี้ยงโคโคเปรียบเหมือนจิตใจของเราเนี่ยนะเอาเชือกมาล่ามไว้กับหลักเพื่อมให้เป็นข้าวของชาวบ้านการกินข้าวของชาวบ้านเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านเสียหายและเราก็เสียหายด้วยแต่โคไม่รู้เรื่องมันระยดมันเดือมันทำตามความหิวมันก็เที่ยวเพ่นพาน ก็เลยเาเชือกผูกกันไว้ล่ามไว้ก็หลักคราวนี้มันก็อยู่แค่หลักมันก็หากินเละเลมเลมเท่าที่มันจะไปได้พอถึงเวลาก็ไปผูกหลักพอมันกินอิ่มก็เชือกออกมันก็ไม่ไปกินข้าวเจ้าบ้านก็ฝึกมันอยู่อย่างนี้แหละล่ามเชือกให้มันกินอยู่ในแดนของมันตลอดมันก็เลิกเพ่นพ่านแล้วอันนี้มันก็รู้จักที่กิน เสร็จแล้วก็เริ่มนอนพักช่วงนอนพักเจ้าของก็มีโอกาสที่จะนอนเล่นอย่างเงี้ย น, นอนเป่าคุยต่อมาก็คือสัตว์เริ่มที่จะเชื่องขึ้นเชื่องขึ้นเชื่องขึ้นเจ้าของก็มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท้ายสุดเลิกพยศสามารถที่จะโจงไปปล่อยตรงไหนก็ได้รู้ขอบเขต กินแค่อิ่มๆิมแล้วก็พักนะเจ้าท่านตอนหลังไม่ต้องล่ามเลยนะแล้วท้ายสุดไอ้วัวสีดำนะมันก็ค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนสีเป็นสีขาวขึ้น ม, มามนเริ่มที่จะรู้จกนะักความดีเป็นยังไงนะเริ่มที่จะรู้จักว่ากินอิ่มเวลาพักเป็นยังไงนะมาพักแล้วหิวก็เราจะของได้ มันไม่เพ่นพานเปรียบเหมือนจิตของเราน่ะแหละใหม่ๆล้วก็เคกอนไหวหไปก่อนนะมันเคยคิดกลับบ้านถึงลูกนะถึงงานถึงการถึงทรัพย์ถึงอาหารสินะร่งเจ็บติดกาแฟรหรือว่าอะไรก็ตามอยากได้ร้อนอยากได้เย็นนะเสร็จแล้วมันก็เลยนะกลับมารู้สึกตัวมัดไ้ที่หลักไว้ก่อนรู้สึกที่ฐานกายมัดไปที่หลัก วันแล้ววันเล่าก็ฝึกมันอยู่นั่นแหละคราวนี้ตอนหลังเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าจิตมันเปลี่ยนแทนที่มันจะไปคิดเงี้ยไม่ไปละคิดดีมันก็ไม่ไปคิดไม่ดีมันก็ไม่ไปมันเริ่มที่จะไม่ต้องไปทำอะไรกับมันท้ายสุดวัวก็หายไปเลยหายตัวไปเลยก็เหมือนกับจิตนะมันว่างไปเลยทำไปทำมา กลายเป็นความง่วงไปมีมาตื่นลู้ตื่นลู้ตื่นลู้ตื่นล้เหนือกายเหนือใจเหนือรูปเหนือนามไปอีกมันมีอาการอย่างเงี้ยเปรียบเทียบไวในนิทานเซนท้ายสุดไม่มีอะไรทั้งนั้นการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ว่าใหม่ๆนี่ต้องมีสติรู้กายก่อนมีสติมีความรู้สึกตัวที่ฐานกายก่อน กายเคลื่อนไหวใจรู้อย่างเี้นะตอนหลังจิตมันก็เคลื่อนไหวเหมือนกันเวลามันคิดเวลา ม, มันมีอารมณ์เกิดขึ้นมามันก็ไปทางตาทางหนะูรูปอารมณ์เสียงอารมณนะ์หรือว่าเกิดทำอารมณ์ขึ้นมาภายในนะมันก็ถูกรู้เท่ารู้ทันทุกครั้งที่มีาการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ชํนนานาญไปเรื่อยเรืยนะมีสติเห็นจิตอย่างเงี้ยนะ จิตมันชอบคิดบางทีก็มีจิตดูจิตก็คือจิตมันก็คิดดีคิดไม่ดีพอมีคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาคิดดีมันก็โตอตอบทักท้วงพอบางทีเนะี่ยมันตกในร่องของสานึกบาป mm hmm. เคยทำอะไรมากับคนอื่น mm hmm. การคิดการพูดการกระทำทางกายวาจาใจ mm hmm. บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจบางทีเราก็ตั้งใจทำ mm hmm. มันก็ติดประทับอยู่ในใจมันก็เป็นร่องรอยที่ มันก็แสดงตัวแสดงพื้นฐานของจิตนะมันมีอะไรมนทินเครื่องเศี้ามองก็แสดงขุนออกมาเพราะว่าการรู้สึกตัวเนี่ยมันเหมือนกับการไปกวนการไปเขยา่าตะกอนนอนก้นที่มันนิ่งอยู่ในก้นบึง้งมันก็แสดงฟุ้งขึ้นมาตุกรังที่รู้สึกเกินไหวก็เหมือนไปกวนมันนั่นแหละเพราะนั้นเราจึงไม่ห้ามความคิดคิดดีก็ไม่เป็นไรคิดไม่ดีก็ไม่เป็นไร แต่ออกมาแล้วให้รู้สึกตัวหรือว่ากลับมาที่ฐานกายเบื้องตน้นเราเริ่มเห็นพอมันสำนึกบาปปั๊บมันก็จะมีการระลึกบุญขึ้นมามันอยากทำดีกับคนที่เราเคยทำไม่ดีเอาไว้อย่าเปลี่ยนนิสัยอะไรที่ไม่ดีมันก็มาอยากทำอีกต่อไปเพราะว่าเวลามันคิดขึ้นมามันก็เหมือนกำลังเกิดขึ้นกระทุกได้ใหม่หัวเราะได้ใหม่ร้องไห้ได้ใหม่อย่างเงี้ยมันก็เริ่มเห็นแล้วทุกครั้งที่เข้ามาในความคิดก็เกิดก้อนของอารมณ์มขึ้นมา ใช้เวียนใช้กรรมหลายภพหลายชาติไม่จบไม่สิ้นคิดทีหนึ่งก็ชาติหนึ่งพอมีนามรูปปรากฏขึ้นมาเป็นหน้าคนเป็นวัตถุเป็นสถานที่มันก็เป็นภพอีกภพหนึ่งเทวดาพรหมหรือว่าอบายภูมิต่างๆเปลิดสนรกสุรกายมันก็คือก้อนของความคิดก้อนของการปรุงแต่งก้อนของอารมณ์ที่เกิดขณะปฏิบัตินั่นแหละ ขณะมีชีวิตมันยังแสดงออกขนาดนี้แล้วตายก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันแตเราจะไม่พูดในขณะนีนะ้มันเป็นอาชินไตเกินไปแต่ว่าเราสามารถสัมผัสได้ว่าอ๋อคิดไม่ดีมันก็เป็นพบภูมิตามคิดเดียวเป็นพบภูมิที่สูงเนวะลาคิดไม่ดีเป็นอบัยภูมิคราวนี้เราปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้มีความสุขนะความสุขเกิดในโลกมนุษย์เรียกว่านะสุขในมนุษย์สมบัติของมนุษย์นะอย่างเงี้ย มีความสะอาดสว่างสงบของเทวดาเงี้ยสุขสามอย่างล้นสุขคติอย่างเงี้ยมัคืออะไรมันก็มีแต่ความสุขมีแต่ได้ยิ้มบุญอะไรเงี้ยมันมีแต่คิดดีพูดดีทดําดีปรากฏกันมาให้เราได้อิ่มอกอิ่มใจปลื้มใจจิตใจมั่นคงหนักแน่นอย่างรู้สึกว่ า, วาเออโลกนี้น่ายอยู่มันก็เป็นสุขสามอย่างล้นเป็นสุขคติภูมิเงี้ย ลงที่เกิดความคิดขึ้นมารู้ทันทันทีมันก็ว่างทันทีคิดทันทันทีว่างทันทีไม่เกี่ยวกับบุญกับบาปคิดดีไม่ดีจิตมันฉลาดรู้ว่าเข้าไปยุ่งกับความคิดมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าสุขโตเนี่ยมันก็พ้นมาจากความคิดพ้นมาจากอารมณ์ทันทีจิตสูงขึ้นสูงขึ้นว่างขึ้นว่างขึ้นเนี่ยมันก็เกิดกําลังใจแบบพระขึ้นมาก็คือเฉลียวฉลาดเราก็มองเห็นนขณะปฏิบัติคิดดี มันก็เป็นบุญคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปแล้วมันไม่ใช่แค่นี้มันก็ต่อยอดไปอีกนะเกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาการปรุงการแต่งลืมความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเกิดความคิดชนิดไหนขึ้นมาก็คืออาการของจิตเราก็ไม่ต้องไปใส่ให้ค่าว่ามันคือดีคือไม่ดีคือชอบคือไม่ชอบอารมณ์นี้เบาปิติใจชอบจัง Young........ มันเสียเวลาเราถ้าเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานมืออาชีพ มีแต่ผ่านตลอดนะมีแต่ความรู้สึกตัวเป็นปกติตลอดนะมันจะเกิดมาอะไรขึ้นมาไม่สนใจให้ค่ามันเลยบางทีรูปขันก็เกิดเป็นมานขึ้นมานะบางทีการเดินเจ็บปวดกิเลสมันก็สั่งว่าหยุดเถอนะไม่ต้องก็ทแล้วนะเดี๋ยวมันจะเหลือไม่เท่าเก่าแล้ยก็สรารพัดนเาที่มันจะบอกเรานะในคราบของความคิดในรูปแบบของการคิดการปรุงกานแต่งจนบางทีกรรมฐ า, านเราก็ออมาแมวละ พอแล้วแค่นี้พอแล้วก็แพ้กีฬาของตัวชนะตัวรู้สึกตัวตัวสติการเดินทางสู่การพ้นพมก็ชะนักลงทันทีต้องเริ่มต้นกันใหม่เปรียบเหมือนกับการสีไฟสียังไงสีสีสีสีสีสีจนไฟลุกต้มน้ํายังไงต้มต้มต้มต้มต้มต้มต่อเนื่องจนเดือดต้องกระใจรู้สึกตัวยังไงรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยจนกระทั่งมันถึงธรรมเพราะนั่นความต่อเนื่องถูกต้องนี่สําคัญ เราก็จึงไม่ยอ่อท้อนะถึงจะเหนื่อยเราก็ไม่ท้อถึงท้อก็ไม่ถอยยังตลุยอยู่การเคลื่อนกันไหวก็ยันเคลื่อนไหวนะให้เกิดความต่อเนื่องขึ้นมาให้ได้นะจนกระทั่งเริ่มเห็นแล้วว่าการเคลื่อนไหวนะเกิดการวางขึ้นมามือมันถือแต่ใจมันวางเช่นเวลามันเดินมันกอดอกอย่างเงี้ยนะมือมันจับกันไว้อันนี้เทคนิคปฏิบัติเอามือจับกันไว้แล้วจับไว้ข้างหลังอย่างเงี้ย ไปสัาพักมันจะเมื่อยคอเมื่อยแขนนะเราก็วางใจให้สังเกตมีกายแต่เราวางใจมีกายมันมีเวทนามันปวดมันเมื่อยล้วก็วางใจมันจะซ้อนมาอีกตัวหนึ่งก็คือดูกายเห็นเวทนานะแล้วพอดูเวทนามันก็ผ่านมาเห็นจิตที่ปกติด้วยไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งเห็นไหมกรรมาฐานเสรจแล้วมนก็เห็นธรรมชาติด้วยของกายเป็นรุ่นก้อนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละสัญญาณภัยของเขา แต่เรามาีความอดทนแล้วก็ทําได้อีกนิดหนึง่งจนกระทั่งไม่ต้องทนเพราะว่าเจ็บก็รู้อยู่อันนี้มีสติเลยสติกอะความเจ็บมันพอฟัดพอเวียงกันมันหลุดเลยมันไม่เข้าไปในเวทนาจิตคิดก็เหมือนกันมันก็ไม่เข้าไปในจิตคิดจะคิดเรื่องอะไรก็ตามมันก็รู้เท่ารู้ทันกลายเป็นว่าอยู่คนระภพคนละชาติคนละโลกเลยความคิดเป็นโล ก, กสมมุติแต่ตัวดูตัวรู้มันเป็นโลกของพระอริยะ เป็นโรคที่เหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายไม่เกี่ยวเลยกายก็เเรื่องของกายปวดก็ปวดกายไม่ได้เจ็บที่ใจอย่างเงี้ยจิตเวลามันคิดก็เหมือนกันจิตมันคิดแต่ว่าสติมันไม่ได้คิดด้วยสติมันรู้อยู่ความคิดจะดับต่อหน้าต่อตาเลยเพราะฉะนั้นคิดดีมันก็คืออาการของจิตคิดไม่ดีก็คืออาการของจิตมีค่าเท่ากาันศ .00 ยนยไม่เอามาเป็นความพอใจไม่เอาเป็นความไม่พอใจอย่า มีอภิสังขารมานเกิดขึ้นมาอภิสังขารคือมันคิดใหญ่มากอภนะิสังขารคือการปรุงแต่งทางจิตจิตตสังขารปรุงแต่งมากมายเลืเกินแต่ก็คือสังขารคืออาการของจิตนะไม่ปรงเป็นความสุขความทุกขนะ์ไม่เอาเป็นความชอบความไม่ชอบนะเพียงแค่รู้ทันนะว่า น, นี่คือการปรุงแล้วก็จบปรงแค่นั้นกลับมาหาฐานกายทันทีเทวปุตตมานะนะ ก็คือเราเคยสบายมาก่อนการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันใช้ลักษณะของอินทรีย์ลูกคุณหนูไม่ได้ใช้อินทรีย์แบบชาววังไม่ได้อันนี้ก็คือเจ้าชายที่เป็นชาววังสักยะโคตรแต่เวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้สายลมแสงแดดอยู่กับธรรมชาติอยู่กัสัตว์สาลาสิ่งตามธรรมชาตนะิกลมเกลืนไม่แปกแยกนะอยู่แบบ ทถยทีอยอาศัยธรรมชาติมันก็สอนนะเช่นนะบางทีท่านก็เห็นสัตนวะ์สาราสิ่งต่างๆมันก็สอนนะเอาอย่างกวางเอาอย่างเก้งเอาอย่างช้างนะบางทีก็เปรียบเหมือนเต่าเนะต่าเวลามันเจอตัวนักป่ากัดเนะต่ามันหดเข้าในกระดองนะท่านก็มาเปรียบทันทีว่าภิกษุทั้งหลายจงเอาอย่างเต่าตัวนี้ เวลามีอารมณ์มากระทบนะเหมือนจิตมันขาดสติเอาไปทางตาทางหูจมูกลิ้นนะหรือว่านะให้สังเกตเวลามันมีสติอยู่มีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมากระทบนะเปรียบเหมือนสุนัขป่าเนะี่ยให้หดอวัยวะเข้าในกระดองนะก็คือให้เรามีสติเป็นกราะป้องกันจิตของเรานะให้มีสติเก่าไวนะ้อารมณ์ก็ทำอะไรไม่ได้นะมันก็เลยเห็นสวรรค์เห็นได้ยินสวรร์ได้ยินยยนันะ่นแะ ก็เลยเกิดปัญญาขึ้นมามันก็จะมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นธรรมชาติก็สอนเราอยู่สุนัข ก, ก็สอนเราอยู่สัตว์ช้าราสิงไก่ก็สอนเราอยู่อย่างเช่นไก่เนี่เคยสอนอาตมามันสอนเช้าขึ้นมาเนี่ยไก่ตัวเมียบินปับปับลงมาลูกเขาก็เป็นไปนอนกับแม่ไม่ได้ บางวันแม่ก็ก็อยู่กับลูกข้างล่างกกลูกบางวันก็ขึ้นไปอยู่บนยอดไม้นะให้ลูกไต่ต้นไม้เตีย้ยๆแล้วขึ้นไปนอนกันต้นไม้เล็กๆสงจากพื้นดินไม่เท่าไหร่แต่แล้วพอก็บินลงมาเขาก็เรียกลูกเขากุ๊กกุ๊กุ๊ก๊ ก, กลูกเขาก็กระโดดลงมาเดินตามแม่ไปมันไม่มีไก่เดินหาผัวผัวกูอยู่ไหนตัวผู้อยู่ไหนผัวกูผัวกูไม่มีนะ มีต่พาลูกทำมาหะกินไปกุ๊กกุ๊กกุกคุยเขียย่ยทั้งวันเลยลูกมันก็เออตามแม่ต้อยต้อยไปเนะชื่อฟังกันนะพอมีภัยแม่มันก็กางปีกลูกก็วิ่งเข้าไปซุกอยู่ใต้ปีกของแม่อรรมาก็เห็นโอ้โลกูกนะมันก็รู้ว่ตรงไหนปลอดภยัยแม่มันก็รู้ว่าลูกไม่ปลอดภยนะัยกางปีกให้ความอบอุ่นให้ความปลอดภยัย มันก็มีความรักซึ่งกันและกันมันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งมันรักลูกมากแต่ว่าเป็นแม่ไก่สาวมันก็สอนถึงบ่าเออบางทีเนี่ยเราไม่เคยทำอะไรพอเริ่มลงมือทำก็ผิดพลาดอย่างเช่นกรรมฐานนะี่นะบางทีก็มีอาการผิดพลาดเกิดขึ้นมาบางทีก็เข้าไปในกายเข้าไปในการเคลื่อนการไหว มันไม่กลางมันไม่สมดุลบางทีมันก็เผลอหลงไปอยู่กับความคิดอยู่กับอารมณ์อย่างเงี้ยมันก็มือใหม่ทำไงได้สติมันยังน้อยยังอ่อนอยู่เหมือนกับแม่ไก่เวลาเลี้ยงลูกนะเหี่ยวเ็าจ้องอยู่พอเห็นลูกไก่ออกจากแม่ห่างแม่ปับ๊บบินโชวไปแล้วก็เอาไปกินแม่ไก่สาวก็ยังงงอยู่ไม่รู้ว่าลูกของตัวเองนะหายไปไหน แต่เขาสังเกตได้แม่ไก่มีอะไรแปลกๆบางอย่างเสนะร็จแล้วมันบินมาอีกแล้วมันก็โฉบไอีกแม่ไก่ก็ยังเฉยๆอยู่นะพอตัวที่สามตัวที่สียแม่ไก่เริ่มรู้สึกพอตัวทสุดท้ายปับตัวที่เจนะ็ดแม่ไก่เนี่ยบินตามเหยี่ยวขึ้นไปบนยอดไม้แล้วก็บินลงมาแล้วก็ปลอมใจตายอยู่ตรงนั้น ตอมใจตายก็คือเสียใจว่าลูกตัวเองเนี่ยที่คลอดมาใครมาแล้วก็เป็นตัวกกมาหลายวันแล้วท้ายสุดก็คือมันหายไปไหนหมดแล้อกมันสลายใจมันแตกเลยัดเดรฉานก็เป็นอนมาก็เลยเห็ น, นเวลาเราไปฏิบัติธรรมเนี่ยคนมีลูกก็ต้องห่วงลูกแหละมันต้องไหลไปเผลอหลงไปมีไหมโ ย, ยมมาที่นี่ไปดูธรรมคิดถึงลูกห่วงลูกมีไหม คนมีลูกมีไหมคนมีพ่อมีแม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่มีไหมคนมีงานมีการก็ใจก็ไหลคิดถึงงานมีไหมเคยอยากได้อะไรก็ได้ดั่งใจแต่ว่าอยู่ที่นี่มันอยู่กับความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยบางทีใจมันก็เหมือนกับว่าเรียกร้องกนะิเลส ก, ก็เหมือนกับขอร้องขอ ถ้าเป็นนักปฏิบัตินให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดานะเป็นเรื่องไม่แปลกเลยจนกว่านะเราจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวจนจิตใจมันยอมรับยอมรับว่ามีความรู้สึกตัวแล้วก็อยู่ได้ใจเป็นปกติบางครั้งบางคราวนะจนกระทั่งมันต่อเนื่องเชื่อมโยงกันถ้าเราสัมผัสต ร, ตรงนี้มันจะเกิดศรัทธาขึ้นมานะยังมีอีกก็คือมัจจุบาน เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยกลัวเดินไปคนเดียวก็กลัวล่วงทีนี่อยู่คนเดียวในป่าก็กลัวบางทีเห็นเถาวันก็ปรุงแต่งแต่งไปนึกถึงงูงเงี้ยมีไหมหบางทีเดินไปมีขยะหรือบางทีมีไม้ตาเราเห็นไม่ชัดเราก็นกึกเป็นงูอย่างเงี้ยมันเกิดความกลัวขึ้นมาอดมาก็เคยเป็นมันกลัวบอกไม่ถูกกลัวอะไรก็ไม่รู้ จนท้ายสุดก็เริ่มเห็นว่าอ๋ออันนี้มันเกิดจากการคิดการปรุงการแต่งทุกครั้งที่กลัวเระกลับมารู้สึกตัวทุกครั้งที่กลัวกลับมารู้สึกตัวก็มีนักปฏิบัติธรรมคนนึงเป็นผู้ชายนะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโตนะปรากฏว่ากลัวสมัยก่อนนี่จะมานอนกันข้างหน้าไม่ต้องมานอนหรอกเพราะว่าคนมันน้อยสถานที่มันพอ มีนักปฏิบัติมาคน2องคนมาด้วยความศรัทธาที่อยากจะเวทำเสร็จแล้วเราก็ให้ไปนอนกุฏิ13ซึ่งอยู่ไกลมากนะเดินทางเกือบกิโลนั่นแหละเสร็นะจแล้วอยู่โดดเดี่ยวหลังเขาจุดที่สูงที่สุดเป็นกุฏิที่อยู่ไกลที่สุดถ้าเดินมาทำวัดที่สลาหอไตแล้วมาทำวัดที่สลาไก่มาก่อนนะเราก็ให้เขาไปอยู่ก็กลัวมาก ก็บอกว่าเวลากลัวเนี่ยนะให้มารู้สึกตัวเคลื่อนไหวให้มากๆยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งกลัวนี่ยิ่งดีให้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะมีความรู้สึกตัวที่ฐานกายอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีอารมณ์ที่เกิดจากการคิดการปรุงการแต่งเวลาเผลอหลงเข้าไปในอีกตัวหนึ่งให้สังเกตให้ดีเขาก็เชื่อเสร็จแล้วไปนั่งยกมือสิบสี่จิงหวันอยู่ที่กดสิบสา กลางคืนเนี่ยก็เห็นสภาวะของความกลัวที่เกิดจากการปรุงแต่งเกิดจากการหลงเข้าไปในความคิดโดยที่เขาไม่รู้ว่ามันสัมผัสรู้ที่ฐานกายเนี่ยขณะที่ยกมือน่ยมันไม่รู้มันหลงเข้าไปพอมันรู้สึกตัวแล้วมันมารู้สึกที่ฐานกายปรากฏความคิดมันดับลงไปเขาทึ่งมากเลยนวันนั้นเน่ยเขาลงมาตอนกลางคืนแล้วเขามาบอกอาจารย์อาจารย์ มันแปลกมากเลยอาจารย์ความรู้สึกตัวเนี่ยมันตัดเวลาคิดปป๊บมันตัดปุ๊บเลยเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็บวชลางานลาการบวชแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่สึกนะพาเลกนเก็ศรัทธาก็มาอย่างมากว่าเออความรู้สึกตัวมันเป็นไปได้ขนาดนี้เนาะปกติความกลัวนี่จะเห็นยากมากนะความโกรธนี่เห็นง่ายที่สุดมาเร็วไปเร็วนะความโลภนี่เห็นช้า ไอตัวหลงนี่ยิงช้าไอตัวกลัวนี่ช้าสุดนะเพราะทุกคนมันมีภัยอยู่โดยเพราะกลัวตายนะเสร็จแล้วมันจะซ่อนมาในคราบของสารพัดเลยไอ้ชั่วกลัวบาปตัวนี้ก็ใช่เหมือนกันมันกลัวจะไม่มีความสุขนะมันกลัวที่ทําดีแล้วไม่ได้ดีอันนี้ก็คือลักษณะของมัจจุบันเหมือนกันนะได้เจอมั้งไหมขณะปฏิบัติอย่างนี้นนะนะนะเพราะฉะนั้นการเข้ากรรมฐานหรือว่า ปฏิบัติกรรมาฐานมันก็จะต้องเรียกว่าใส่ใจนะสังเกตสักหน่อยหนึ่งนะอันดับแรกเลยก็คือการเคลื่อนการไหวของกายเนี่ยต้องขยันนะต่อมาก็คือพยายามสํารวมนิดนึงนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับผู้ต่างๆพยายามเคลื่อนไหวรู้สึกนะให้มากเท่าที่จะมากได้ต่อมาก็คือเวลาเกิดความคิดขึ้นมาเนะี่ยเราไม่ได้ห้ามแต่ว่าความคิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนะี่ย พย า, ยามสังเกตว่ามันคืออาการมันคือความรู้สึกด้วยมันเกิดในตัวของเราเนี่ยแหละในหัวสมองมันเกิดตรงไหนก็ไม่รู้อย่างหลวงปู่เทียนนะมีความรู้สึกว่าประมาาจารย์ทางด้านการจิติทยาปฐฐานอีสานตอนบนความคิดมันผักเอวหลวงปู่เทียนมีความรู้สึกว่าความคิดมันอยู่ด้านหลังท่านเดินปฏิบัติอยู่ท่านเล่าให้ฟังนะเคยฟังอยู่ในเทพในสื่อแล้วอ่านหนังสือ ท่านบอกว่าหลังจากที่ท่านรู้รูปนามท่านก็เดินจงกรมมีความรู้สึกว่าความคิดนะมันเกิดขึ้นมาที่แรกไม่รู้นะมันคืออะไ ร, ม, ออะไรมันรูบผักปุ๊บเอ๊ะอะไรก็เดินจงกรมต่อไปมีความรู้สึกครั้งที่สองผักอีกล้วเอ๊ะ อ, อะไร ก็เลยเดินแล้วก็สังเกตดูอ๋อความคิดสมมติฐานการคิดเหมือนกับผักหลังเยอมเคยไหมอัตมาเคยนะเคยสังเกตบ่อยๆเวลาเรานอนระวางไม้วางมือวางกายวางใจนะวางจิตมันจะไหล ว, วิววิวมีความคิดเกิดมามันกระตุกปึดเลยแขนกระตุกขากระตุกเคยไหม เออนั่นแนหะเป็นอาการของความคิดนะ่ะดูดีๆเวลาเราเดินจงกรมตั้งสร้างเฉกว่าบางทีนะมันเข้าอยู่กับความรู้สึกตัวดีๆแนบแน่นกันจิตมีสมาธิมีกําลังกําลังว่างๆอยู่กับความรู้สึกตัวมีความคิดเกิดมันก็ตกฟุดเลยตอนที่นั่งทําวัดเนี่ยมีอยู่หลายครั้งสมัยบวชใหม่ๆอามาก็นั่งแล้วก็สบายๆตอนเช้าบางวันเนี่ย เรามีความรู้สึกตัวเลยมือมันอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนกำลังจะรับของจากใครก็นไปแล้วหลายครั้งเหมือนกับมีคนเอาของมาให้แล้วก็ยกมืออย่างเนี้ยเรารู้สึกแลเฮ้ยความคิดมันสั่งเนี่ยเฮ้ยอีกแล้วเวลานั่งก็เลยว่าโอ้ความคิดมันมีอาการเขามันอยู่มันใช้กายเราอยอยู่ด้วยเวลามันเกิดเวลาว่างๆก็ตกปึ๊กให้สังเกตเวลานอนชัดมากตัวนี้ อาจารย์กำพลทองบนนุ่มนะเป็นคนพิการกนหนึ่งเดี๋ยวคนนี้ว่าจะเปิดเจอให้ดูคนนีนะ้มีความรู้สึกว่าความคิดนะอยู่ข้างหลังเวลาเกิดความคิดขึ้นมาเนหะมือนเกิดอยู่ข้างหลังมันเหมือนกับอยู่ข้างหลังสตินะอยู่ข้างหน้าเราก็ลองสังเกตดูทำเป็นยังไงอาการของจิตที่เวลามันคิดนะมาเกิดยังไงความง่วงก็เหมือนกันเวลาเราเวลาเราลองแยกทายดูความง่งงวงสัมัสยากมากนะเป็นนิวรรนธรรม ดูว่าเข้ามาเข้ามายังไงเข้ามาข้างล่างหรือไงมาด้านหลังหรือไงหรือว่ามันมาข้างบนแล้วมันคลุมยังไงมันค่อยๆมากลุนกลนแล้วมันกดคิ้ยวยังไงสังเกตได้ไหมมันหนักๆมันกดคอยังไงมันดึงปากของเราห้อยยังไงน้ําลายมันหยดยังไงมันเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยเราสังเกตดูมันเป็นอาการจิตและกายของเราก็เสียสมดุลเสียปกติจิตของเราก็เสีย สมดุลเสียปกติท่านที่จะเป็นกลางๆอย่างนี้นนะโบราณท่านว่านะเวลาคิดมากไนอะ้พวกเอียงซ้ายลองสังเกตดูนะจริงหรือไม่เวลามันคิดเนะี่ยมันเอียงซ้ายจริงหรือไม่ในเวลาที่คนบ้ากําลังนะียเวลาจะทําอะไรเนะี่ยชอบอารมณ์รุนแรงนะใช้กายเอียงขวาพวกนะี้ลองสังเกตดูมันจริงหรือไม่นะแล้วก็สติมันอยู่กลางๆงนะอยู่บนบน ตัวรู้เนะี่ยอยู่สูงแต่ว่าตำแหน่งเดียวกับตัวหลงด้วยตัวหลงจะมีอำนาจเวลาเราไม่รู้สึกตัวมันถึงมีอำนาจแล้วก็สั่งทําอะไรมากมายคิดพูดทําไปผิดปกติใครสังเกตก็พูดให้ฟังนะเพื่อเป็นเทคนิคปฏิบัติเพาะว่าเห็นตั้งใจกันเหลือเกินนะเดี๋ยวว่ากลุ่มของโรงพยาบาลนะสมเด็จนะที่มาตั้งใจปฏิบัติโดยผอลำมาเนะี่ยตั้งใจปฏิบัติกันมากเลย เห็นเดินเหมือนมืออาชีพเลยแต่ละคนแต่ละคนเนะี่ยอยู่การเคลื่อนการไหวได้ทั้งวัน ท, ทั้งที่ไม่มีนิมิตของพระไปเดินเป็นเพื่อนไม่มีนิมิตของแม่ชีไปเดินเป็นเพื่อนแต่ละคนก็ตั้งใจใส่ใจกันนะเต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวพอวันนี้เป็นวันที่ห้าพรุนี้ยังมีอะไรอีกวันนะก็ตั้งใจเหมือนกับวันนี้แหละนะก็ถือว่าภาพที่เห็นวันนี้น่าอนุโมน า, นาอย่างสูงนะก็ขอให้การปฏิบัติเดี่ยวของเราทั้งหลายนั้น การไบทำทั้งหลายนั้นการไปทำของเราทั้งหลา ย, น, น, าา น, ลายนั่นก็จะเป็นไปเพื่อนะการทำที่แสดงกองทุกข์นะเข้าถึงสภาวะของจิตที่มันเป็นปกตินะหรือเข้าถึงสภาวะของพระนิพพานในประเทศชาตินี้โดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนทั้นเถิกลาพระพร้อมกัน